วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมห้าสามวันเข้าพรรษานั้นพอตรมวัตเสร็จแล้วก็นั่งคุกเข่าหันหน้าขาหากันแล้วอธิษฐานพรรษาพร้อมกันจะใช้เวลาไม่มากแต่ก็ต้องให้ได้ทุกองค์มันก็คำพูดก็ไม่มากแต่ถ้าว่าเราไม่เตรียมพร้อมมันก็ไม่ได้ พรานั้นวันนู่นละ่ะวันที่จะอธิษฐานปัญหาจริงผมจะให้พระใหม่พูดทีละองค์เพื่อเป็นการทดลองส่งดูว่าพวกท่านทั้งหลายได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องต้องท่องให้ได้ซะก่อนจึงจะอธิษฐานปัญหาได้เพราะมันต้องออกพูดออกมาจากความชัดความจริงดังนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์นะ ถ้ามีความตั้งใจมันก็ไม่เหลือวิสัยหรอกเพบเดียวก็ได้แต่ความไม่ตั้งใจมีอยู่นั้นมันจะท่องไม่ได้ท่องไม่ได้มันก็ไม่ถูกตามกฎระเบียบตามพระวินัยของพระพทุทธเจ้าเพราะนั้นเราเข้ามาอยู่ในกฎกระเบียบนี้ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบตามหลักธรรมวินยัยแล้วกะทิพพาใสัยวงไหนบ้างที่ มีปัญหาอะไรก็ให้บอกนะกุติร่วหรือว่ามีอะไรมีปศมีอะไรมีแต่ไม่ใช่ว่าจะหยุดอุบอยู่เฉยๆไปหาหลบนอนที่ อ, อื่นน่ะไม่ได้นะต้องนอนกุติของตนเองต้องดูแลรักษาความสะอาดดูข้างล่างทามันมดขึ้นก็เอาน้ํามันไปใส่ที่ใส่น้ํามันเครื่องมีอยู่แล้วกุติทุกหลัง แล้วก็พร้อมกันก็ให้ปัดกวาดใต้ถุนทุกวันกุฏิองค์ตนเองถ้าน้ําเข้าไปขังน้ําเข้าไปในใต้ถุนกุฏิก็ให้พระใหม่พระเก่าช่วยช่วยดูอย่าให้น้ําไหลเข้าไปใต้ทุนกุฏิถ้าน้ําไหลเข้าไปใต้ถุนกุฏิมันจะชื้นกุฏิมันต่ํามันชื้นแล้วก็ทําให้ผู้นอนอยู่ข้างบนไม่สบายเพราะเหตุใดเพราะอากาศมันชื้นเพราะนั้น จะให้น้ําไหลเข้าไตถุนกุติต้องทําคันเอาไว้คูดเอาไว้แล้วก็น้ํามันให้ตรวจตราน้ํามันเครื่องเรามีอยู่แล้วไปเทน้ามันเครื่องเอาไว้มันจะกันปลวกกันมดและกันแมลงป่องด้วยไม่ใช่กันธรรมดานะกันแมลงป่องตัวแมลงป่องสําคัญถ้ามันขึ้นไปถ้าเราไม่กันเอาไว้มันขึ้นไปนั่น ไปอยู่กับผ้าความชื้นมันมีมันไปหลบอยู่ที่ผ้าอยู่ผ้าเช็ดต o ง g เชดเท้าผ้าอะไรเดี๋ยวมันกัดมันต่อยก็ทำให้เสียเวลำเวลาเจ็บปวดปเปล่าโดยไร้เหตุเราต้องรักษาพอเราอยู่ป่านะให้ช่วยๆกันนะและ้วกข้างบนถ้ามีจิิงไม้มันเฟ้ยมามันมาปกคลุมหลังคากุติที่เราพักก็บอกพวกคูบาที่ รู้จักมัดคุ้นให้เอาออกเอากิ่งไม้ออกเพื่อไม่ให้หมดลงมาที่หลังาคากุฏิเนี่ยนะเลื่อมมด น, มนี่สำคัญกุฏิของผมของมีอยู่นะดูรู้นะมีมดตัวเล็กๆนะ่ะช่วยช่วยดูว่ามันมาทางไหนรวยมากมันจะมากับสายไฟตนะัวนี้ช่วยช่วยขึ้นไปดูเดี๋ยวทีมดกําลังเริ่มกัดแต่กลางวันนี่แหละ กุติผมก็มีเหมือนกันไม่ใช่มันไม่มีเพราะเราอยู่ในป่าเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขมันมาอย่งไรไปอย่างไรเราต้องรู้จักทางมันขึ้นมันลงเราก็กันไว้ซะจะไม่ให้มันมีมดมีแมลงอะไรเฉลิมันก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกเนี่ยมันก็อยากจะอยู่เหมือนกันกับเรานั่นแหะมันก็แบ่งให้มันอยู่บ้างถ้ามันเกินไปเราก็เออาจัดการไล่มันออก ถ้าวาเราจะไม่ให้มันมีเฉลยมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเพราะเราอยู่ในปา่ารงพงพายอยู่ในป่าของมันมีทั้งเล่นมีทั้งยุงมีทมั้งแมลงมีทั้งหมดมีทั้งอะไรครบหมดแต่เราก็รู้จักวิธีการจะรักษาอย่างไรคือจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมารบกวนจนเกินไปจะไม่ให้มันมีเฉลยคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ขอให้พวกเราทุกๆองค์ช่วยกันนะ ทางพระใหม่พระเก่านั่นแหะถ้ามีปัญหาอะไรของบอกกุฏิรั่วหรือมีปัญหาใครไปอยู่ที่ไหนมีปัญหาเกี่ยวกับมันรั่วรีบบอกเลยไม่ใช่ว่าพอรั่วแล้วก็รีบนี้แล้วทําให้มันเสียหายเพราะพระหมู่พบเพล่นก็ไม่รู้หลวงพ่อก็ไม่รู้ผลในสุกุฏิพังไปหมดพราะอะไรเพราะกุฏิรั่วแล้วก็ไม่บอกกันถ้ามันรั่วแล้วก็ต้องบอก การนต์เขาสร้างมาให้เราอยู่เขาก็ยังมาสร้างขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าเราล่วมันซ่อมเพียงแค่นั้นเราซ่อมไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีน้ําใจเรามาอยู่ที่กุฏิเสนาสนะของสงและไม่มีน้ําใจที่จะดูแรลรักษาเลยทั้งที่เราก็ไม่มีค่าจ้างรางวันอะไรที่จะมาอยู่แต่เรามาอยู่เลยก็ยังไม่มีน้ําใจที่รักษาเสนาสนะสงอีกต่างหากอันนี้แปลว่าไม่ได้นะผิดต่พระวินยัยผิดตกอกฎระเบียบ ไปอยู่ณักสถานที่ใดกุฏิหลังไหนเตียงต่างเก้าอี้เอาออกมาใช้แล้วต้องเก็บให้ไว้ที่เดิมไม่ใช่ว่าจะใช้เปลืน่นถ้า อ, าออกมาใช้แล้วไม่เก็บเขาที่ปรับประบัดปาจิตีภิกษุเอาเตียงต่างฟูกเก้าอี้ออกมาในที่แจ้งแล้วไม่เก็บเข้าที่เดิมต้องปาจิตติใศีลทั้งหมดพินัยทั้งหมดพราะนั้นพวกเราเข้ามาอยู่นะั่นคือมาอยู่ในเรามาใช้ของสง เราต้องช่วยกันดูแลของสงฆ์ไม่ใช่ของหลวงพ่อเป็นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของวัดวาศาสานาเป็นสมบัติกลางเป็นใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งพรา ะ, ะนั้นเราใช้ของทุกอย่างทุกชิ้นในวัดเราต้องใช้ด้วยความทนุถนอมใช้ด้วยความระมัดระวังใช้ด้วยหูให้รู้จักเก็บเข้าที่เข้าทาง ไม่แช่แบบเอามาใช้แล้วก็ทิ้งเกลื่อนไปหมดอนะันนั้นใช้ไม่ได้นะผิดต่อวินัยผิดต่อกฎกระเบียบไม่ใช่เพราะวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ใครไม่รับผิดชอบไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการเอาของสิ่งของอันไหนออกมาใช้นกะ็ให้พวกเราทุกท่นานตรู้จักกฎกระเบียบประเพณีกฎกระเบียบธรรมเนียมกฎกระเบียบวินัยแล้ว อยู่สบายต่างคนก็ต่างอยู่ในกฎระเบียบพี่นัยและสบายถ้าว่าไม่รู้นะเอื้ อ, อัด น, นะเดี๋ยวก็ทวงติวว่าเป็นน้ำบัตรนะั้นเต่๋วอเป็นอย่างนี้เพราะเหตุใเพราะเรายังไม่รู้ก็พอเรารู้แล้วทางองค์ก็ต่างช่วยกันดูแลของใช้เก็บรักษาให้ดีมันก็จบเพียงแค่นั้นล่ะตลอดถึงการลงมาฉันในลงน้ำร้อน ถ้าใครใช้แก้วใบไหนใช้สเสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดใสแฟบใส่สบู่ให้ดีแล้วก็คอบไว้อย่าไปใช้อะไรประชันแล้วก็ทิ้งเกิดไม่รับผิดชอบให้องค์ที่เป็นพระเวรเป็นผู้ปฏิบัติการทำความสะอาดให้หมู่พวกเพื่อนอันนั้นใช้ไม่ได้นะมีแต่รู้จักจกินไม่รู้จักจเก็บองค์นั้นถ้าเป็นอย่างนั้นบอกผมบอกผมองค์ไหนที่ทําอย่างนั้น เพราะผมไม่เคยทําอย่างนั้นผมไม่เคยสอนอย่างนั้นถ้าฉันแล้วก็ต้องรู้จัดเก็บต้องรักษาพอเรามาฉันแล้วต้องช่วยการทําความสะอาดเหมือนสลาของเราก็เหมือนกันก่อนที่เราจะลุกขึ้นจากที่นั่งเราต้องทําความสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยอย่าให้มีน้ําหยดอย่าให้มีเมล็ดข้าวอย่าให้มีผักหล่นลงบริเวณที่นั่งของตนเอง อันนี้คือพระวินัยเราจะไม่ฉันพรางสมัดบาดมือพรางเราจะไม่ฉันโปรยมเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในทีนั้นนั้นอันนี้คือพระวินัยทั้งหมดอันนี้คือเมื่อเรามารักษาศีลมารักษาวินัยเราก็ต้องดูแลการที่เราจะฉันเมื่อลุกขึ้นมาเราต้องตรวจตาที่นั่งของตนเองอย่าให้มีน้ําหยดจะให้มี อย่าให้มีเมล็ดข้าวอย่าให้มีอะไรตกหล่นในบริเวณที่เราฉันที่หน้าของเราที่ข้างของเราเนี่ยอย่างหลวงพ่อเหมือนกันพวกเราขึ้นมาดูสิเมื่อหลวงพ่อฉันเสร็จเรียบร้อล้างมือเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อจะเช็ดให้สะอาดเรียบร้อยไม่ให้มีอะไรขนาดหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ยังรักษาตลอดมาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านอันนี้คือภพภิพนัยเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะได้ ดูรู้อันนี้คือวินัยของพระแต่ถ้าว่าทุกองพอฉันเสร็จแล้วหวดลุกไปไม่รู้วตามไม่รู้อะไรเกลื่อนไปหมดเวลาพูดที่จะเข้ามาทําความสะอาดกิดย่องเข้ามาไม่รู้ว่าน้ําแกงไปเห็นบางวัดเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมองค์ที่มาทําความสะอาดทีหลังกว่าจะมาเช็ค ก, กว่าที่จะมาล้างกว่าจะมาทําความสะอาดกว่าจะมาเก็บสิ่งของเหล่านั้นได้ องค์ที่ฉันก็เดินแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปไม่ได้รับผิดชอบในที่นั่งของตนเองอันนั้นเป็นภาระของผู้ที่ขึ้นมาเก็บเสนาชนะและว้วก็เก็บที่ฉันในบริเวณนั้นแต่ทางพวกเราช่วยกันเก็บช่วยกันทําความสะอาดก่อนจะลุกขึ้นมาเราก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยต่างคนก็ต่างเก็บให้เรียบร้อยไม่ต้องไม่จาเป็นเลย ไม่จําเป็นพระจะต้องขึ้นมาทําความสะอาดอีกไม่ต้องขึ้นมาปัดกวาดอีกเพราะเหตุไรเพราะว่ามันสะอาดอยู่แล้วต่างคนต่างรักษานี่แหละหมดภาระไปในการดูแลรักษานี่แหละอยากจะให้หมูพวกเพื่อนช่วยกันตลอด ถ, ถึงห้องน้ําห้องท่าควรจำแบ่งกันว่าวันพระของเรามีมากองที่ดูชลาก็ดูชลาโรงที่ดูห้องน้ำก็ช่วยทวยกันดูห้องน้ําแบ่งเป็น เวนกันภาระกันทั้งนู่นแ่ะทั้งหัวฉันเก่าทั้งหลังนี้ด้วยดูให้สะอาดเพราะคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาแล้วมาเห็นแต่ความสโครกของพระไม่ได้อันนั้นคือไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยวัดของเราไม่ใช่วัดของใครไม่ใช่วัดของโยมวัดของเราเราต้องรักษารักษาเสนาชนะเวจจวัตร เวชจวัตรก็คือส้วมรักษาเวชจวัตรก็คือข้อวัดเกี่ยวกับส้วมเกี่ยวกับห้องน้ําเสนาสนะวัดวัดเกี่ยวกับเสนาสนะสงมีศาลาเป็นต้นอาคารทุกะวัดวัดเกี่ยวกับพระอาคารทุกะที่พระเข้ามาเกี่ยวข้องญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องอาคารทุกะเราจะให้เขาพักพาอาศัยที่ไหน เราจะจัดอะไรต้องการต้อนรับขับสู้มีน้ำมีอะไรให้พักพาอาศัยที่ไหนอันนี้ว่าอาคันทุกขวัตคันทวัตข้อวัดเกี่ยวกับครัวไฟโรงไฟอย่างโรงต้น้ำร้อนของเราทำยังไงจากนั้นก็อาจารย์วัตวัดเกี่ยวกับอาจารย์ควรทำยังไง จากนั้นก็อุปชายวัดข้อวัดเกี่ยวกับพระอุปชาปฏิบัติอย่างไรอันเตวศิกวัดสัทิ์ทิงวิหาริศวัดข้อวัดอุปชากับลูกศิษย์ทํำยังไงอันเตวศิกวัดอาจารย์กับลูกศิษย์ทํำยังไงมันมีในพระวินัยทั้งหมดไม่ใช่หลวงพ่อพูดเฉยๆนะไม่ใช่ว่าพูดเปล่า อ้างขึ้นมาตามพระบดีรั่วตามพระวินัยตามกฎ ร, ระเบียบแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคือเสนาสนะเมื่อเราเข้ามาอยู่อาศัยเราจะดูแลเสนาสนะสูงอย่างไรเสนาสนะคือกุติที่พักผ้าสายซาลงซาลานี่แหละอันนี้ว่าเสนาสนะสงูงตลอดถึงลานวัดจัดเป็นเสนาสนะทั้งหมดเวชจวัดก็คือห้องน้ําห้องส้วมพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลทะเลาะกั น, นเกี่ยวกับห้องส้วมเน่ะ คือสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีห้องน้ำส้วมซึมอย่างนี้มันเป็นช่วงปลอยชําบันไดขึ้นไปแล้วก็ทําซีซุงสูงขึ้นไปแล้วก็ถ่ายอุจจาระลงมาจากข้างบนลงมาในหลุมค่ะทำเป็นหลุมสวม่มงวงแล้วก็ช่องหินอย่างนี้พอเราถ่ายลงมาแ ล, แล้วเวลาใส่เข้าไปใส่รองเท้าเข้าไปในช่วงไม่ได้ ดินเข้าไปมันเกลืมันติดปรับอบัดทุกกฎเวลาจะเข้าห้องน้ําทํำยังไงอย่าไปเอาน้ําไว้ในกระบอกเวลาใช้น้ําเสร็จแล้วให้ลิเททิ้งคว่ำคว่าขันอย่าไปขังน้ําไว้ถ้าพวกเราศึกษาในเวชจวัตรก็คือมันมีหลายอย่างสรุปแล้วก็คือให้ช่วยกันรักษาความสะอาดองค์หนึ่งเข้าไปแต่ดูแลที่มันสกปลกที่ตรงไหน ที่คนเหยียบย่ำมีดินกี string, โครนเต็มไปเราควรล้างซะก่อนก่อนที่เราจะออกมาเราควรล้างให้เรียบร้อยถ้ามันจกกระปลกทามันไม่จกกระปกเออไม่เป็นไรถ้ามันปลกูกจกกระปลกของเราเราควล้างให้เรียบร้อยของเราถ้าเห็นคนอื่นมันจกกระปลกลราครล้างของเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกต่างคนต่างรับผิดชอบร่วมกันมันก็ไม่หนักหนาแต่ถ้าว่าต่างองค์ก็ต่าง เข้าไปใช้เฉยๆองนั่นก็เหยียบขี่โคลนเข้าไปก็กออกมาก่เอเฉยไม่ล้างเพอ้ยเพอย่งล้างอุจจาระล้างปัสสาวะตัวเองไม่หมดอีกต่างหากเหม็นถึงเยื่อนั้นองค์ที่สองก็เข้าไปอีกก็อาความสุกโปกใส่เข้าไปอีกขี้ดินขี้โคลนเข้าไปก็ไม่ล้างอีกออกมาอีกถาาพระทางวัดของเราดูแลไม่ล้างสักองนะ่ะเป็นยังไง พวเราคิดดูกันแล้วกันมันจะสกกระปลกขนาดไหนถึงเพราะมันหลายองค์แต่ถ้าว่าพวกเราเข้าไปต่างองค์ต่างดูแลต่างรักษาคนละไม้คนละมือกันเข้าไปองค์นี้ก็ทําความสะอาดองค์ที่สองของดูสะอาดไม่เพียงพอสะอาดทําอีกจนให้สะอาดเรียบร้อยหลายองค์เข้าไปกันหลายสะอาดก็ดีทุกอย่างนะ จะถามว่าทุกคนมีแต่ความสกปรกลกลุงลังไปหมดองนั้นก็สปกปรกองนั้นก็สปกปกหนึ่งบกหนึ่งเป็นสองสองบกสองเป็นสี่ถึงสามสิบองคส์สกปรกมากขนาดไหนแต่สะอาดหนึ 1, 1่งตัวหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสะอาดหนึ่งสะอาดสองสะอาดสามสะอาดสี่เรื่อยๆไปความสะอาดนั้นจะขนาดไหนเหมือนกันนะพระนครอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดทางนี้ทั้งนั้นให้รับผิดชอบร่วมกัน เพรวัดวาศาสานาไม่ใช่ของหลวงพ่อนะเมื่อพวกเราเข้ามาบวชแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของของวัดรับผิดชอบร่วมกันใช้ร่วมกันถ้าว่าของหลวงพ่อหลวงพ่อจะปิดประตูไม่ให้ใช้อ่ะพวกเราจะทํายังไงอันนี้แสดงว่าพวกเรามีสิทธิ์เสมอกันกับหลวงพ่อเพอิ่มเพิ่มากกว่าหลวงพ่ออีกต่างหากพกระหลวงพ่อไม่ค่อยได้มาใช้ พวกเรามาใช้ร่วมกันมีสิทธิ์มากกว่าหลวงพ่อน า, นานจะได้มาใช้กับพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ให้ช่วยกันดูแลเจนาชนะสงฆ์เราเป็นพระเราจะไปทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมได้ยังไงอันนั้นนะคิดผิดเวลาตัวเองเราเป็นพระเราไปใช้ห้องน้ําได้ยังไงเรต้องไปถ่ายในป่าสิอย่างนั้นเหร ใารเมื่อเราไปใช้ในห้องน้ำเราก็ต Palm ้องดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำเราก็ไม่ได้เลือกว่าห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำใครเป็นห้องน้ำเสนาชนะสงเป็นของพระสงฆ์เป็นของสงไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเราต้องดูแลช่วยกันรักษาความสะอาดเรื่องห้องน้ำนี่สำคัญนะที่ผมเน้นที่ห้องน้ำนี่สำคัญคนโบราณเขาบอกว่าดูวัดให้ดูฐานฐานก็คื อ, คอคฐานเนี่ย คือช่วงเนะี่ยคนโบราณเขาว่าฐานนะก็ เ, เรียกว่าฐานดูวัดให้ดูฐานดูบ้านให้ดูครัวดูบ้านเรือนจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ดูครัวถ้าจะดูสมภารถ้าจะดูสมภารให้ดูเนนน้อยทำไมจะดูสมภารยึงดูเนนน้อยถ้าเนนน้อยมีระเบียบมีกฎมีระเบียบ กิริยามลายา ต, แาายแตาายีแสดงว่าสมพานเข้มงวดกดขันแต่ถ้าว่าดูเนีนน้อยไม่มีกฎไม่มีระเบียบแสดงว่าสมพานนี่อยู่เลือเทอะไปอย่างนั้นะแนะนำไม่สั่งสอนลูกเล็กเด็กแดงปล่อยปะลาเลยอันนี้ก็คือคนโบราณเขาเขาให้ดูอย่างนั้นมันก็จริงๆนะผมว่านะวันนี้ที่ผมพูดมา ก็เป็นการเตรียมวันที่จะเข้าพรรษาวันที่ผมเรียกประชุมหมู่พวกเพื่อนคือความเตรียมพร้อมที่จะเข้าพรรษาก่อนที่จะเข้าพรรษาปีสองพันห้าอห้าสบสามเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมห้าสาม ไม่กี่วันข้างหน้าวันที่ยี่สบเจเป็นวันอธิษฐานพรรษาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงได้นิมนต์หมู่พเพื่อนมาประชุมพร้อมกันเพื่อทําความเข้าใจที่จะอธิษฐานพรรษาที่จะเข้าพรรษาและก็พร้อมกันความพร้อมของพระใหม่จะได้แนวของพระใหม่ว่าควรจะ ท่องบนสาธยายอะไรบ้างวิธีการแสดงอบัตแล้วก็วิธีที่จะอธิษฐานพันษาอย่างที่ได้กล่าวเมื่อกี้เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็การที่เข้ามาบวชในคราวนี้ผมอยากจะจำไว้อยู่เสมอการที่พวกเราเข้ามาบวชเราไม่ใช่ว่าเราจะคิดประเดียวประดาว ไม่คิดเป็นใช่ว่าคิดเป็นวันสองวันเราคิดมันนมนานที่เราจะเข้ามาบวชเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจจริงในการเข้ามาบวชในครั้งนี้ผมไม่อยากจะได้ยินเลยที่ว่าเข้ามาบวชแล้วเสื่อมถอยศรัทธาแปลว่ามาอยู่วัดว า, าศาสนาทั้งที่จะเห็นทั้งที่จะรู้ทั้งที่จะได้ความรู้ความฉลาด ทั้งที่จะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจกลับพอเขามาบวชแล้วยิ่งได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกไปให้ก้อยสิ่งที่เสื่อมศรัทธาไม่เกิดศรัทธาเกิดความเบื่อหน่ายในการเป็นอยู่เบื่อหน่ายพระสงฆ์เบื่อหน่ายครูบาอาจารย์เบื่อหน่ายญาติโยมเบื่อหน่ายมัดบาศาสนา ถ้าเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นอันนั้นอีกแบบหนึ่งอันนี้เบื่อหน่ายด้วยกิเลสเพราะเข้ามาแล้วไม่ประสบความสําเร็จเข้ามาแล้วปฏิบัติเห็นหลักพระธรรมวินัยเป็นเป็นพิษเป็นภัยกําสําหรับตนเองปฏิบัติไม่ได้เป็นเครื่องอึดดัดไปหมดอย่างนั้นก็ใจไม่สู้พรใจไม่สู้แล้วก็เสื่อมศรัทธา พอเสื่อมศรัทธาแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะเอาอันไหนมายึดผลที่สุดไปผานไปหมดทีนี้ผานไปหมดทั้งที่ผานไปอย่างนั้นที่ว่ามันจะเกิดผลดีมันไม่ใช่มันไม่เกิดผลดีสําหรับตนเองมันเป็นผลเสียทีเดียวผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงย้ําแล้วเตือนอีกว่าเราเข้ามาบวชในคราวนี้ เรามาบวชด้วยความตั้งใจตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจธรรมดาตั้งใจจริงเราจะบวชถ้าว่าเราจะบวชสามเดือนเราก็รู้แก่ใจว่าเราจะบวชคราวนี้สามเดือนถ้าว่าเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะสิ่งอื่นเราก็ได้เคยทํามาแล้วอันนีบน้บัตรนี้เราจะมอบตัว มอกกายถวายชีวิตไวในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เราก็หาช่องหาวิธีกรรมวิธีการว่าเราจะทำจิตใจอย่างไรเราจะศึกษาอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรนี่แหละอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนคดคว้าศึกษาแล้วก็พยายามฟังฟังให้มากแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ปลูกศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตััสรู้อะไรพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลพระพุทธเจ้าจุดประสงค์อะไรในการบวชท่านให้ศึกษาเรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านค้นคว้าศึกษา และจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจหลักของพุทธศาสนาอย่างที่ผมพูดที่พวกเราเข้ามาศึกษามาบวชในครั้งนี้มาศึกษาเรื่องของใจแต่เป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะมองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่ว่าพวกเรารู้ได้ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้แต่ละครั้ง แต่มันทุกนั้นทุกอะไรโดยมากมันทุกใจทุกกายก็จริงอยู่แต่มันจะทอนย้อนเข้ามาหาใจแต่ถ้าว่าคนตายแล้วน่ะมันจะทุกได้ไหมมันทุกไม่ได้เพราะคนไม่มีใจแต่คนมีใจแล้วมันทุกใจหิวก็ทุกใจกระหายก็ทุกใจไม่พอใจคนดูด่าพากาวให้ก็ทุกใจปรารถนาไม่ได้สมหวังสมความมุ่งมา่ปรารถนาก็ทุกใจ เขามาบวชแล้วไม่สมหวังดังที่ตั้งใจคิดกระทกใจสรุปแล้วก็คือความทุกข์มันอยู่ในใจเป็นส่วนมากอยู่มากกว่าทุกกายเป็นส่วนหนึ่ ง, งทุกหิวทุกกระหายผลสุดมันก็ย้อนเข้ามาหาใจใจรับผู้รับทราบมันก็ทุกข์ที่ใจเพราะมันหิวมันกระหายบางทีก็อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็อึดอัดเพราะเราไม่เคยมาอยู่อย่างนี้การพูดจาพาทีบางทีก็คัด ความสำรวมระวังบ้างเพราะว่าพวกเรามาจากสกุลต่างๆไม่เหมือนกันการทำการทำงานก่อนอยู่คนละแห่งนะหนกันพอเข้ามาองนี้ก็ว่าเหมือนกับพูดธรรมดาแต่องค์ที่เคยอยู่ด้วยการพูดกิริยามารยาทที่ดีก็ว่าอูองคนี้พูดดู ด, ดูเล่าไม่น่าฟังพูดลักษณะอย่างนี้ อันนี้องค์นั้นก็คล้ายๆเหมือนลักลายเครื่องเราลักไม่ได้อย่างนี้อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพวกเรามันมีหลายหลายอย่างแต่ถึงยังไงก็ตามให้พวกเรารู้เอาไว้ว่าเราเกิดมาในโลกนี้เสียงนกเราก็ฟังได้เสียงนกฮูกเราก็ฟังได้เสียงนกกระลางร้องเราก็ฟังได้เสียงนกต่างๆที่มันร้องเราก็ฟังได้ เสียงสัตว์กรอกกระแตร้องเราก็ฟังได้หมูหมากาไกา่ร้องเราก็ฟังได้เสียงคนพูดเราจะมาจึงจะฟังไม่ได้เราต้องฟังนะเราฟังจะให้ใจของเรากับเพื่มเท่านั้นแหะอันนี้ก็คือให้พวกเราทําใจเอาไว้คิดเอาไว้เพราะพวกเรามาจากตะกุลต่างๆที่พวกเรามาอยู่ด้วยกันสิ่งเหล่านี้ก็ขอเตือนขอฝากไว้จะให้ใจพวกเรากระเพื่อม ให้พวกเราได้ยินเอาไว้เสียงท่านั้นเองเสียงแต่สักเพเสียงอย่าให้ความสําคัญในเสียงนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งการอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสํารวมระวังกายวาจาใจของตนเองเมื่อเรามาบวชในคราวนี้ให้เป็นบุญเป็นกุศลจริจรงๆสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลพวกเราค้นคว้าศึกษาจากนั้นจะลงมือประพฤติปฏิบัติ อย่างกลางคืนอย่างนี้กลางคืนเรากอฟังซิธรรมเทศนาของหลวงตาที่ผมแนะนําฟังกันเดียวก็พอพอท่านขึ้นการที่สองหรือการที่สามการที่เท่าไหร่แล้วก็เปิดฟังเลยพอฟังก็นั่งสมาธิปน ม, มือพุทโธตรรมโรสังโคเสร็จแล้วก็นั่งกสมาธิฟังเลยพอฟังจบการเสร็จแล้วก็ดับปิทยุเสร็จแล้วก็นั่งต่ออีกจนเป็นที่พอใจสองสามชั่วโมง แต่ละครั้งแต่ละวันจากนั้นค่อยออกจากสมาธิสมาธิเวลาเรานั่งฟังฟังเทศเราจะไปเอาใจใส่ในการที่ท่านจะพูดเรื่องอะไรให้สติอยู่กับตัวเองให้ใจอยู่กับใจให้ใจอยู่กับผู้รู้ให้มีสติอยู่กับตัวเองเสียงมันเข้ามาผ่านเข้ามาเราเข้าใจเสียงผ่านเข้ามาเขาเข้าใจ เราไม่ได้ฟังเพื่อความจำฟังเพื่อรู้ท่านพูดเรื่องอะไรท่านพอผ่านเข้ามาเราก็รู้ในใจรู้รู้รู้รู้รู้สิ่งไหนที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้พอรู้เสร็จแล้วตรงไหนที่ท่านบอกให้ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราก็ปล่อยวางที่ใจของเราจ บ, แ ล, จบจาแล้วก็นั่นแหะจบปิดวิทยุจากนั้นเราก็นั่งภาวนาต่อ อันนี้คือการฟังเทศเป็นฟังอยู่ที่ใจอย่าไปฟังอยู่ที่หูอย่าไปจำอย่าไปคิดจำถ้าฟังจำจะฟังจำแล้วจะไม่เข้าใจเพราะมันฟังเพื่อจำถ้าฟังเพื่อเข้าใจแล้วมันจะไม่จำให้ฟังเอาไว้นะการฟังเทศนะถ้าฟังเข้าใจแล้วจะไม่จำถ้าฟังเพื่อจะจำแล้วมันจะไม่เข้าใจมันมีแต่อยู่ในสมองมันอยู่ในสมองมีแต่ความจดจาอยู่ในสมอง แต่ฟังให้เข้าใจแล้วมันจะฝังลึกตรงฝังอยู่ที่หัวใจฟังฟังฟังเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเราจะให้เลี้ยงลำดับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ฟังเอาใจฟังฟังให้เข้าใจอันนี้คือฟังเทศเป็นนะนี่แหละอยากจะให้ฟังเทศอย่างเนี้ไม่ต้องฟังไปส่งเสียงส่งใจไปฟังใส่วิทยุจอฟังเพื่อจำจำเพื่อจะจดนะอันนั้นแปลว่าฟังเพื่อจํา ผมอยากจะให้ฟังเพื่อความจริงฟังแล้วให้ปล่อยวางที่ใจนี่แหละคือฟังเทศเป็นขอให้พวกเราฟังอย่างนี้นะเวลาฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และฟังเทศทุกครั้งท่านพูดเกี่ยวกับสมาธิท่านสอนอย่างไรแต่เมื่อท่านเดินให้เดินปัญญาเดินอย่างไรเพราะท่านเดินปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เราก็พิจารณาตามที่ท่านอนเข้าใจเข้าใจเข้าใจในการ ท่านให้พิจารณาท่านให้พิจารณาถึงผู้รู้คือใจใจเราก็รู้ว่าเ้าใจของเราเนื้คิดเรื่องอะไรในขณะนี้มันไปแทนทางไหนใจของเราพอถึงปอดมาถึงใจเราก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจไนงะสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกท่านนะพิธีการฟังเทศเนะี่ยผมแนะนําพิธีการฟังให้แก่พวกเรา ไม่ใช่ฟังเพื่อจำนะฟังเทศนะฟังเพื่อรู้เท่า น, นั้นแล้วก็ปล่อยวางอันนี้ก็คือการฟังเราจะปราศจากในการฟังไม่ได้เราจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการศึกษามาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเราจะเฉลียวฉลาดเราจะรู้จากวิธีการอย่างไรเหมือนกับเราพิธีกรรมพิธีการต่างๆนะ ถ้าเราอยากจะทำการเงินเราก็ต้องเรียนเรื่องการบัญชีการปิดงบการทำงานเรื่องการเงินถ้าเราอยากจะเรียนหมอเราก็ต้องเรียนพริชาของหมอหมอเขาทำยังไงเภสัชเภสัชทำยังไงกฎหมายทำยังไงอย่างนี้เขาต้องเรียนอันนี้เรามาเรียนเรื่องของใจเรียนเรื่องความรู้ของใจ ความนึกคิดของใจใจของเรานึกคิดอะไรมันทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นเราร้องโหยร้องให้เศร้าโศกเสียใจเศร้าซึมทุกกระทรมต่างๆมันอยู่ในใจทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเรามีธรรมะเข้าสู่จิตใจเราจะเห็นมองเห็นได้ชัดเลยว่าใจของเราเอมืมันทําไมมันโศกเศร้าเสียใจอย่างนี้ทําไมจึงเศร้าซึมอย่างนี้ มันเศร้าซึมให้โง่ทําไมมันเศร้าซึมให้โง่ทําไมมันไปนหลงอะไรขนาดร่างกายตัวเองก็จะตายอยู่แล้วมันจะไปหลงอะไรอีกพอเราพิจารณาอย่างนั้นเท่นั้นใจมันก็รู้รอบรู้ตัวเองรู้รอบขอบชิดมันจะตื่นตัวพอตื่นตัวแล้วนั่นมันจะมองตนเองอะไรกันรู้ตนเองว่าเราควรจะทํำยังไงใจของเราขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละ อันนี้ก็คือวิธีการที่พวกเรามาเรียนรู้เรื่องของใจและแต่ก่อนที่จะมาเรียนรู้เรื่องของใจจุดนี้นะ่ยจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้นะจะทํำยังไงนี่แหละต้องย้อนไปถึงสมาธิสมาธิก่อนที่เป็นสมาธิได้เริ่มต้นด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยสติสัมปชัญญะมันต้องออกไปที่นู่นก่อนที่จะออกไปสติสัมปชัญญานั้น มีอะไรเราก็ต้องเตรียมพร้อมต้องใช้ปัญญาในการประกอบการในเมื่อเราจะได้ข้าวมาเนี่ยเราจะทํำยังไงเราต้องประกอบการซะก่อนประกอบการคือเตรียมแอดเตรียมไถเตรียมไร่เตรียมนาเตรียมพื้นที่ดินอันนี้แหะคือเราเตรียมการอันนี้ก็เหมือนการก่อนที่จะได้สมาธิอย่างนี้ก่อนที่มีสติสัมปชัญญะ น, นี้เราก็ต้องเตรียมการเตรียมการคืออะไรคือเราบวชี่อะไรนี่แห ล, ละ เราเตรียมการเพื่อจะมาฝึกหัดเรื่องสมาธิเราเตรียมการมานานเราคิดมานานเราจะเตรียมการเพื่อจะมาบวชพอมาบวชแล้วเราจะได้ฝึกสมาธิเมื่อฝึกสมาธิได้แล้วเจตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ทีนะี้การที่จะมาฝึกเข้ามาบวชเนี่ยนะเราทำตัวอย่างไรชีี้เราวางตัวอย่างไร เราจะเออละเหยลอยลมแต่ละวี่แต่ละวันคุยกันไปเรื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางแต่ละวีแต่ะวันอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแปลว่าเราเตรียมการไม่ถูกที่ถ้าเตรียมการถูกที่แล้วเรามีจุดหมายปลายทางอะไรเอามีจุดมุ่งหมายอะไรในการบวชในครั้งนี้ในการบวชของเราในคราวนี้เรามีจุดหมายอะไรจุดนี้ยอะอยากจะให้ หมู่พวกเพื่อนทกุกงงใส่ใจหรือว่าประมูอประพฤติปฏิบัติอยากจะให้เดินจงกรมนั่งทาอ ก, กับกิริยาคือนั่งยืนเดินวิธีการทำยังไงแต่ละวันแต่ละเวลาอันนี้ก็ให้ศึกษานะเราจะตอนเวลาไหนเราจะตื่นเวลาไหน เราจะพักผ่อนเวลาไหนกลางวันเราจะทำยังไงตอนเย็นกลางคืนเราจะทำยังไงอันนี้ต้องแบ่งปันเวลาให้ตัวเองแต่ก่อนที่จะแบ่งปันเวลาเราก็ต้องศึกษากับครูบาอาจารย์เชื่อก่อนว่าแต่ละวันกิจวัตรประจำวันของเรานั้นตั้งแต่เช้ามาถึงจนถึงครบรอบยีชั่วโมงนั้นวัดของเราทำอะไร ที่มีความพร้อมเพียงสมัครใที่จะต้องทําคืออะไรอันนี้เราต้องจับประเด็นให้ได้พอเราศึกษาได้แนละ้วพอเรามาอยู่หลายวันแล้วเราก็คงจะจับประเด็นได้เมื่อเราจับประเด็นได้แล้วเทนี่ว่าชีวิตประจําวันของเราเนะี่ยเราควรทําอย่างไรจากนั้นเราก็วางแผนในการภาวนาของเราละเทนี่เราจะเอาภาวนาจุดไหนเราจะนั่งภาวนาจุดไหนตรงไหนเวลาไหนเราจะเดินโยกม ช่วงไหนเวลาไหนเราก็ต้องหาเวลาในช่วงที่เราไม่ได้ทํากิจวัตรขววัดร่วมความสามัคคีในจุดนั้นแหละ ช, ช่วงที่เอกเทศเนี่ยอย่างที่ตกกลางคืนเนี่ยนะพอเราทํากิจวัตรขวบวัดเสร็จแล้วกลับไปกุฏิแล้วก็ส่งน้ำพอส่งน้ําเสร็จแล้วก็รีบส่งให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็เข้าทางเดินยังกรม พอได้ยังโกมเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาเนี่ยเป็นโอกาสของเราแล้วใช่ทั้งวันทั้งคืนจนถึง3ามสี่้าทุ่มแล้วเขาก็ค่อยพักจากนั้นตีสามตีสีเราก็ลุกขึ้นมาเริ่มปฏิบัติธรรมจนถึงเวลาทากิจจวัตรร่วมมาศ า, าลาเวละเราต้องหาเวลาหาเวลาให้ตนเองเมื่อเรารู้จักเวลาแล้วก็แบ่งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติอะทีนีเรื่องทำสมาธิเนี่ยเราจะทำยังไงพอเราเข้ามาค้นคว้าศึกษาเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ า, วากิเลสราคะโทสะมันอยู่ในใจิตใจถ้าชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วมีความสุขไม่ทุกข์พอหมดจดจากกิเลสเป็นความสุขเป็นอนันตการ แต่เดี๋ยวนี้เรามีแต่ความทุกข์อยู่ในจิตใจของเราบางทีบางสิ่งบางอย่างอารมณ์เข้ามากระแทกจิตใจของเราทำให้เราเสียสูนไปเราทุกไปบางทีก็การมไม่กิเลสเข้ามากระแทกใจของเราเราก็เป๋ไปทั้งที่เราคิดว่าเราจะเอาชนะมันได้แต่พอมันเข้ามาจริงๆเราสู้มันไม่ได้มันเพราะเหตุไร สิ่งเหล่านี้เราควรจะค้นคว้าศึกษาไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราจุดนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์มีแต่แนะนําวิธีการเท่านั้นเองเตรียมพร้อมนในการลงมือประพฤติปฏิบัติตอนเราหาช่องทางหาเวลาแต่และวันเราจะเอาเวลาไหนจากนั้นพอได้เวลาเสร็จแล้วเรากําหนดเวลาตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนฉันจังหารเสร็จ จนไปถึงเที่ยงบ่ายโมงบ่สองโมงเนี่ยเราก็มีเวลาจากนั้นบ่ายสองโมงบาสามโมงเราก็ปัดกวาดจากนั้นปัดกวาดเสร็จแล้วเราก็หมดประจําหน้าที่ของเราละใชนี้นี่แหละการที่ประจําหน้าที่ของเราเนี่ยอย่างที่ผมพูดเราเดินจงกรมซะก่อนตอนหัวค่ําเดินจกรมเสร็จแล้วก็ขึ้นไปทำวัดเย็นขึ้นไปไหว้พระทุกวันตรงตรงไหว้พระทุกวันจะได้ขาดนะแล้วก็แผ่เมตตาด้วย อย่างน้อยก็อย่างที่หลวงพ่อพาทําในวันนี้แหละได้เพียงแค่นี้ก็พอหรือจะได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีสวดการพระไตรปิฎกหรือสวดธรรมาจากมหาสมัยอะไรก็ได้แต่อย่างน้อยก็ต้องสวดพอสวดพนเสร็จไหว้พระแล้วก็สวดพนเสร็จแล้วกันนะฟังเทศแลอะไรฟังเทศสักกันหนึ่งอย่างที่งหลวงพ่อในแนะนํานั่งสมาธิขัดสมาธิดีด นั่งประนมมือแล้วยกประนมือไหว้พุทธโธธโมสังโฆพุทธโธตโมสังโฆกล่าวพระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสร็จรแล้วร้องเอามือลองก็ น, นั่งฟังพอฟังจบการหนึ่งเสร็จแล้วก็ น, นั่งปิดแทปแล้วก็ น, นั่งต่ออีกนั่งภาวนาต่อดูใจของตนเองให้มีสติสัมปชัญญะไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคต ให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่ที่ปลายจมูกแต่พวกเราท่านทั้งหลายบางท่านแต่ผมก็เคยแนะนำมามากก็มา ก, มากหลายครั้งต่อหลายคนแต่ผมก็จะคงได้พูดอีกเพราะพวกท่านทั้งหลายเข้ามาใหม่ที่พูดไปแล้วก็อาจจะไปค้นคว้าศึกษาก็ใช้เวลานานอีกเพราะนั้นผมจึงได้พูดย้าแต่ภาคเก่าหมู่พวกเพื่อนจำนวนเก่าก็คงจะลาคาลําคาล แต่ไม่รู้จะทำยังไงทาไมพูดขึ้นมาพวกพระใหม่ที่เขามาศึกษาก็มไม่เข้าใจอีกแล้วทอย่างที่ผมพูดว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกบางคนก็ไม่รู้ผมจะกำหนดอย่างไรเพราะผมไม่เคยกำหนดลมแต่ทั้งที่มันลมมันผ่านจมกูกทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เราเกิดมาแต่เด็กจนถึงปานนี้แหละกระลมก็อยู่ผ่านจมกูกแต่ไม่รู้จะกาหนดยังไง นี่แหละอันนี้ก็คือได้ยินผมและอินได้ยินหมามากตัวมากเหมือนกันเพราะนั้นผมก็บอกว่าให้กระแทกลมแรงๆหายใจเข้าแรงๆแล้วก็หายใจออกแรงๆหายใจเข้าแรงๆหายใจออกแรงๆจากนั้นค่อยผ่อนผ่อ น, ผ, อนผ่อนลงให้เป็นปกติแเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนในขณะที่หายใจเข้าแรงๆนั้นหายใจออกแรงๆนั้นเมื่อเรารู้ว่าลมกระทบที่ไหน เราเอาสติจับอยู่ตรงนั้นตรงที่ลมกระทบนั้นจากนั้นเราก็บริกรรมหายใจลมก็ไปกระทบบริกรรมว่าพุทธหายใจออกลมที่ลมกระทบที่ปลายจมูกบริกรรมว่าโทไม่ต้องตามลมเข้าไปและไม่ต้องตามลมออกมาให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมกระทบเท่านั้นอันนี้แหละคือกรรมฐานเบื้องต้นกรรมฐาน ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดชั่รู้่นธรรมที่โคลนต้นโพนะท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ท่านให้บริกรรมสำทับเขาว่าหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธเพิ่มพุทธเขาอีกหายใจออกบริกรรมคาว่าโทเพิ่มโทเขาไปอีกเวลาหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละให้พวกเราในพรรษานี้นะกถ้าพวกเราทําจิตใจให้สงบสักครั้งหนึ่งผมว่า เป็นคุณค่ามหาศาลถ้าถ้าว่าผู้ใดมีความใส่ใจมีความตั้งใจไม่ต้อ ว, ว่าแต่ครั้งหนึ่งล่ะอันนี้ผมพูดน้อยนิดทนเองแต่อันนี้เพียงราะว่าให้ชิมให้รู้รสแห่งความสงบที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แหละพวกเราจะรู้รสแห่งความสงบเป็นอย่างไงถ้าว่าพวกเรา ได้ภาวนาอย่างที่ว่าเนี่ยมีความตั้งใจมีความพยายามดูในจิตในใจของพวกเราแล้วพวกเราจะจิตใจของเราจะเข้าความเข้าสู่ความสงบได้เมื่อเข้าสู่ความสงบได้พวกเราจะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนารู้บุญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำที่นั้นที่นรรม คำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเราจะยกมือไหว้และลึกถึงพระคุณท่านเหล่านั้นเพราะใจของเราของเราได้รับความสงบรู้พระคุณของพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงท่านจึงสอนวิธีกรรมอย่างนี้ให้พวกเราได้ปฏิบัติในเมื่อตก่อนหน้านี้พวกเรามีที่คิดปรุงฟุ้งร่านบางทีตาแดงไปหมดปวดหัวมีความทุกข์ใจอย่างมาก แต่บัดนี้ใจของเราเข้าสู่ความสงบมีความสุขจริงๆพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะจิตสงบแล้วรู้มากกว่านั้นไปอีกกว่าเมื่อจิตสงบแล้วกายกับใจกายกับใจเนี่ไม่ใช่อันเดียวกันกายกับใจอาศัยกันอยู่รูปประธรรมและนม า, ามาธรรมเห็นได้ชัดอีกต่างหากในขณะที่จิตใจของเราสงบเรายังเชื่อมั่นอีกว่าอูดตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนจุดนี้เองจุดนี้เอง เพราะอย่างไรเพราะร่างกายจะแตกตายสลายแน่แต่ว่าใจคือน้ำมาทำตัวนี้มันโดดเด่นและเกินตัวนี้ไม่ตายแน่เลยเห็นได้ชัดในความรู้สึกของตนเองอีกต่างหากเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้เชื่อคนอื่นนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าว่าหาเงินอย่างนี้อย่างนี้นะไปขุดทองอย่างนี้นะไปขุดแร่อย่างนี้ขุดดินอย่างนี้นะมันอยู่ในตรงนั้นแหะเพชรดินจินดาดังให้เราลงมือประพฤติปฏิบัติ ขุดอย่างที่ตัวเองพกขุดเข้าไปเออใช่พระพุทธเจ้านี่สอนถูกบอกถูกจุดจริงๆการขุดเงินขุดทองแถวนั้นมันมีแร่เพชรนินจินดาจริงๆเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อเราได้รู้ได้สัมผัสในการประพฤติปฏิบัติของเราเพราะนั้นเราเมื่อเราได้ชมมัดมาเราก็เชื่อมั่นว่าเราไนี่ยทำถูกต้องได้เพชรนินจินดาจริงๆ แล้วก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนถูกทางจริงเมื่อท่านสอนมาเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติเราก็เร้รู้แจ้งเห็นจริงตามขั้นตอนของเราที่เราควรจะรู้ที่เราควรี่เห็นจากนั้นใจของเราก็จะมีกำลังใจเราก็มีบความพยายามเชื่อมั่นลึกลงไปอีกทีนึยพยายามจะต้องพระพุทธเจ้าตัดคำไหนออกมาคงจะเป็นความจริงแม่ทีนึเมื่อเราจิตใจของเรา แต่ถ้าความสงบผ่านความสงบมาแล้วท่านให้พิจารณาทางด้านปัญญาเนะออเราก็เดินปัญญาเลยเอาจิตใจของเราบังคับใจของเราให้เดินทางปัญญาให้พิจารณาอะไรให้พิจารณาร่างกายตั้งแต่ผมขนเล็บันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเย่ยวในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดชี่ยาอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในตัวของเราเลยให้เห็นตามความเป็นจริงนะอันนี้ มันเป็นแต่ ว, ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายเนี่ไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งไม่รู้วันมันจะต้องแตกต้องสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟอย่าไปให้ความสาคัญมันมากเกินไปนะใจนะอย่าให้ความสัมพันธ์ในร่างกายมากเกินไปนะถ้าให้ความสาคัญในร่างกายมากเกินไปมันเป็นทุกข์นะต้องรู้จักปล่อยวางนะต้องคิดเอาไว้ก่อนนะเมื่อนั้นมาถึงแล้วเราจะต้องทิ้งนะ นี่ถธอคือทำคําสอนถ้าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราไม่ได้ฟังพวกเราแยกไม่ออกแต่เมื่อเราได้ฟังได้ศึกษาขนาดนี้แล้วบางทีเราก็ยังแยกไม่ออกอีกต่างหากแต่ว่าเมื่อเราได้ศึกษาจริงจังและจริงใจเมื่อรู้จริงเห็นจริงเราจะแยกออกเลยเห็นได้ชัดเจนเลยกายกับใจใจกับกายมันจะต้องแตกตายสลายอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรา เราจะไปยึดส่วนอื่นว่าเป็นของเราจะไปโมโหโกโ้ให้คนนั้นคนนี้รักคนนั้นคนนี้เกลียดคนนั้นคนนี้ให้โงท่ทําไมทีนี้ อ, อทําไมเราทําไมจึงให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นจนมากจนเกินไปจนเราใจของเราจนโงู้เพราะเหตุอะไรเพราะเราให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราแต่ว่าสักรู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็นอย่าให้ความสําคัญในการรู้การเห็นนั้น อันนี้พระพุทธเจ้าท่านท่านสอนอย่างนั้นท่านก็พอรู้แต่สบว่ารู้เห็นแต่สบเห็นไม่เห็นความสําคัญเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นแต่ว่าเพียงแต่สักว่ามันก็ผ่านไปผ่านไ ป, นไปเกิดแก่เจ็บตายตายไปไม่รู้ใครตัวใครตา ย, ตายมากต่อมากมา เ, เพียงแค่นั้นเราจะไปยึดกับเพียงแค่นั้นจะให้ความสําคัญกับเพียงแค่นั้นจากนั้นเราก็ปล่อยวางที่ใจของเราเนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ ท่นไม่ให้ปล่อยวางที่ไหนนะศึกษาให้จริงๆจังๆแล้วศึกษาให้ทุ่นถี่แล้วศึกษาให้ครอบครอบแล้วมันมาเข้ามาสู่ใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจความรู้อยู่ที่ใจตัวที่รู้ก็อยู่ที่ใจความโง่ก็อยู่ที่ใจความฉลาดก็อยู่ที่ใจเมื่อตะก่อนเรา เรียนกอไก่ขอไข่ A B C D หนึ่งสองสามไม่ได้แต่บัด น, นี้เราเรียนกอไก่ขอไข่ A B C D หนึ่งสองสาวันททได้ความรู้ก็เกิดที่ใจของเราความโง่ที่เราไม่รู้แต่ขอนมันก็ตกไปมันก็หายไปแต่ความรู้ตัวนี้มันก็เด็ดอยู่ที่ใจนี้ก็เหมือนกันแต่ก่อนเราไม่รู้เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของเรา แต่บัตดนี้เมื่อเรามีธรรมะเข้าสู่จิตใจจิตด้วยปัญญาของเราอันลึกซึ้งแล้วเราปล่อยวางอย่างลึกซึ้งแล้วความบรื่นสุดปลุดพ้นก็ออกมาจากจุดที่เราหลงงมงายนั่นเองตัววิชาคือหลงงมงายมันอยู่จุดไหนความรู้ก็อยู่ขึ้นมาจุดนั้นความมรื่นสุดปลุดพ้นเข้ามาจุดนั้นจากนั้นใจดวงนั้นผู้รู้อันนั้นสิ่งที่รู้นั้น นอกเหนือจากสมมุติสมมุติไม่ถูกว่าเป็นอะไรไม่นอกเหนือจากสมมติในวัานิพพานจิตใจที่บุตรหลุดพ้นแล้วคือพระนิพพานนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานังปรามังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ที่ใจเพราะด้นการภาวนาอย่าไปห่วงใจว่าเป็นของตัวตนของเรา ขนาดใจยังไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเสธเพราะใจของเรายังเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาคิดตรงนั้นคิดตรงนี้ปรุงนั้นปรุงนีงง้มันอยู่ที่ใจเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันทุ่มลงไปอีกเหมือนกันสิ่งไหนที่ทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการพิสูจน์จุดนั้นแหละคือจุ ด, จ, ดจุดพ้นมันขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะมาบวชในพรรษานี้นะถึงจะไม่ถูกพ้นถึงขนาดนั้นก็เถอะแต่ถ้าเราก็เรารู้ไว้ ร่างกายสังขารเนี่ยตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยมีจุดจบนะให้เราคิดเอาไว้เราจะไม่ทกชกใจถึงจุดถึงข่าวมาถึงข่าวที่มันจุดถึงจุดจบมาเราก็จะไม่ทกใจเพราะร่างกายสังขารเนี่ยมันมีจุดจบนะมันไม่เป็นอย่างอื่นนะเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บพว ก, ก็ตายตายคืออะไรคือมันสู่แตกสลายลงสู่ดินน้ําลมไปเพราะนั้นใจอย่าให้ความสําคัญมากมายนะ โกรธเกลียดรักชอบชังอะไรก็ตามรุ่มหลงอะไรก็ตามอย่าให้เกินไปเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราหรอกเราเมันจะผ่านผ่านไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างผิดใจบ้างไม่ชิดใจบ้างเขาเจ็บโมโหโทโ่โศเจ็บจ้ำทําลายเราบ้างแล้วเราก็พร้อมที่จะเอาพอที่จะปกป้องได้ก็ปกป้องถ้าปกป้องไม่ได้เราก็เอาดวลดวลกันไป เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้โูกเ้งแต่เราจะไม่เกิดมันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้เราจะไม่เสียเปรียบเขาเหลือเราจะไม่เสียเปรียบเขาเหลือถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาของพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าเรามันผู้ที่จะเสียเปรียบนั่นแหละผู้ที่ไปส่มากส่ผลได้ถ้าเราจะเอาเปียบเขาอยู่เราไปไม่ได้ติดอยู่ในโลกเลยอย่างที่เ ทำที่ดวงตาเขียนไหมเห็นไหมที่ดวงตาเดินการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตานะอันนี้ก็เหมือนกันนะันะการยอมเสียเปรียบรับรู้เรื่องต่างๆนั่นแหละผู้ที่จะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสูงสารผู้ที่จะไม่มาเวียนก็ว่าตายเกิดถ้ามีแต่สู้มันเอามั น, เ อ, มนเอาชนะมันให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คำแหมงเกี่ยรตที่จะเอาชนะมันอยู่ตลอดนันนะความทุกข์ก็จะเกิด ไม่มีที่สิ่งสุดอีดานพันตูก็อยู่ในโลกวัฏฏะสงสารหาทางออกไม่ได้แต่พวกเราเป็นผู้ยอมแพ้เป็นผู้รู้ที่งเห็นจริงจากนั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นตามความเป็นจริงะจิตใจของเราก็จะดหลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มากก็น้อยผลที่สุดท้ายรู้จริงเห็นจริงมันก็จุดถึงจุดจบ ไม่มาเพียนไหว้ตาเกิดจริงๆนั่นนะถ้ารู้แจ้งเห็นจริงนะนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้าพวกผู้ที่จะบวชตารงทรงศาสนาต่อไปก็ให้ยึดตามแนวแถวนี้ถ้าพวกเราที่จะมาบวชโชครั้างชั่วคราวรก็ไปฟังเอาไว้ให้ฟังเอาไว้เมื่อเราเป็นคารวะเราก็ยังทําได้ยังประพฤติปฏิบัติได้พราะแนวแถวของพุทธะในท่านใช้แนวความคิดอย่างนี้ ที่ท่านสอนพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธองค์ท่านสอนไม่ยอย่างเนี้ยไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางทไมจึงท่านไม่ให้ยึดมั่นถือมัน่นทาไมท่านจึงให้ปล่อยวางนี่แหละที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้พวกเราก็คงจะพอนึกถึงแนวทางที่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้ปล่อยวางมีความมุ่งหวังมีความมุ่งหมายอย่างไรนะ การพูดการแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุตินะตอนนี้ไปนั่งภาวนาปนมมือขึ้นระหว่างอกแล้วก็นึกพุทโธธมโมสังโฆไห ว, รวครูซะก่อนจากนั้นก็พุทโธพุทโธพุทโธนะไม่ต้องคิดถึงอดีตอนาคตใจิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นะ